อาวันนี้เป็นวันพระด้วยแปดคำ่ำแล้วก็ใกล้จะวันอาสาฬหบูชาที่เกี่ยวกับ <c oughs> คำสังสวรพระเจ้านั่นแหละที่พระเจ้าทรงตัดสู้ในเครื่องดับทุกข์มักมีองค์แปดนั่นเอง <c oughs> เป็นคู่ปรับกับวัตจักแปดมก็คือโลกกธรรมแปดเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ ใครไม่ดีใครไม่ต้องการจเจริญในราบยศสาะเสื่สุขเป็นจทีน่นิต้องการอันนี้เวลาพูดไปแล้วถ้าเราใจเข้าใจเราต้องไปคิดนึกอีกกันนะในข่าชีวิตว่าเป็นอยู่นี่แหละเรื่องเหล่านี้นะไม่มีเครื่องมาตัดนะเพราะแต่จากนี้ถ้าไม่ไ ม, มากไ ม, ม่เป็นมาตัดนี่มันจะมีกิเลสแล้วก็ทํากรรมรับผลของกรรมมันจะวนเวียงนงนะั้นแหะไม่มีที่สิ้นสุดหรอก มันจะมาเกิดอย่างเงี้ยถ้าเรามีเครื่องแก้เครื่องพิจารณาให้เบื่อหน่ายแล้วนะมันก็เพลิดเพลินอย่างเนี่ยในภพทั้งสามการมาพบร่วบพอรูปพบมีถึงสามิเวศภูมิการมาพบมีสิบหกอรูปพบมีสิบการมาพบมีสิบเอารูปพบมีสิบหกอรูปพบมีสี่สามิเวศภูมิมวลอย่างงี้แหละเนี่ยพระเจ้ายัางมาตัดสรู้ขึ้นแล้วเนี่ย ได้มาทําลายลงไปเนียในเป็นเดือนหกนั้นเนี่ยแล้วนี่เอาคําสั่งสอนที่ว่าหาผูอ้อิหลงเล่าคำสั่งสอนนั้นเนี่ยนึกถึงอรณาบทเขตายไปก่อนแล้วเจ็ดวันท่านก็ออกปากชิบหายอย่างใหญ่ชิบหายอย่างใหญ่เพราะมีกิเลสเบาบางเมื่อได้ฟังธรรมของท่านแล้วก็อยากสาเร็จเป็นพระอรหันได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏไงพอเรานึกถึงนู่นอีกอุทกนบทอีก เมื่อตายไปเมื่อคืนนี้เองแน่ชิบหายอย่างใหญ่ชิบหายอย่างใหญ่เล็นะแล้วจากนั้เป็นเหตุใ น, น้นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่หนีจากพระ อ, องค์ไปตอนที่ท่านฉันอาหารของนางศรชาดาเนี่ยว่ามากๆเป็นผู้ที่เป็นผู้มากๆไปเสียแล้วคณะโคโดมเนี่ยพระโพธิจัตนะพังมากไปเสียแล้วคงจะไม่จำเรศแล้วเลยพากระทอดยิ่งพระ อ, องค์ ไม่ได้ฉันยังหันของนางสุชดาแล้วก็เลยมาที่โคนโพนั่นแหละที่เราเคยไปอินเดียก็ไปเห็นมาแล้วนั่นแหละที่วัชระอาต์เป็นนั่งหันหน้าไปคิดตะนออกนะร้านแล้วแต่ว่าเป็นเลือดเนื้อจะเกิดแห้งไปจากอวัวะกายถ้าไม่สําเร็จพระ เ, เจ้าแล้ยจะไม่ลุกจากอาสนะนั้น่นนี่ใ น, น, นวันเป็นเดือนหกพอสําเร็จแล้วเนี่ยได้คุณธรรมแล้วเนี่ย เนี่ยจึงออกมาปริแผ่จึงเกิดพระสงฆ์ขึ้นเมื่อได้ฟังธรรมได้จ้ามแล้วเนี่ยให้หยุดถ่ายรูปเลยมันจึนได้ฟังธรรมจริงจริงพอเวลามันน้อยเวลาพูดก็จะไม่พูดไม่ได้พูดไม่เอาน้ำว่างนะเอาเนื้อเนื้อเห็นภาพแล้วก็จะเข้าไปถึงภาคปฏิบัติทิฏฐภาวนามันจึงจะได้ผลการยังยึดถือมติของหลวงปู่ฟ้นอยู่นั่นแหละเห็นดีเลยพาธรรมนี่คือเฮ้อไม่อยากฟังอย่างเดียวทําด้วย ได้ไม่ได้กับรู้เดียวนั้นเห็นโทษกันเดียวนั้นเห็นคุณกันเดียวนั้นเห็นโทษก็ต้องกลับไปแก้ไขชาระเห็นคุณฆ่าโอต้องรักษาไว้อย่ามันเสือ่อมอ่ามันจึงจะเจริญก้าหน้าพุทธศาสนาไม่อยงั้นมันจะมีแต่ในนามในพิธีทั้งนั้นเนีเ่ยทีแล้วคนก็เสืออเส่อมล้องเสื่อมลองเสื่อมลงศาสนาดีเลิศประเสริฐหาได้เทียมยากแต่เพราะคนไม่เข้าใจไงมันมีแต่พิธีกรรมไง มีใศาสนาในวิธีศาสนาในนามยิ่งเราเห็นแล้วเห็นไหมละ่ะเด๋ยวนี้ถ้าเราสื่อมันเร็วสื่อมันเร็วเ ร, เราดูเห็นไหมเด็กน้อยที่มันรอดตายมาจากถ้านั้นก็อาศัยภาวนาเห็นไหมละ่ะภาวนา้าที่เป็นโค้รนั้นน่ะเคยบวชมาเคยภาวนามาเคยถือทุดองมาแล้วนั้นวิาวชานะั้นมาใช้เด็กมันยังรอดตายมาได้อะแล้วเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไม่เห็นในองค์กรประเทศชาตาิต่า ง, างเนี่ยเขานิยมเลย เงานจะทํางานเนี่นั่งสมาธิทําใจสงบซะก่อนเห็นไหมล่ะมันเข้าได้ในของพระเดจจ่าอยู่ตลอดเนี่ยและเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดไม่เคยเสื่อมเคยล้าสมัยไปเลยเพียงแต่เราเนี่ยมันมนุษย์ที่เกิดในโลกนี้เท่านั้นเนี่ยไม่นิยมเออตัวเองตัวเองเสื่อมไปแล้วไม่ว่าเนี่ยเสื่อมจากศาสตรนาร์เรลเลอร์อะและ้วมาบอกว่าจารนาเสื่อมแน่มันก็เลยพาไม่นิยมดี ให้ปฏิบัติหรือถ้าเรารู้คุณค่าเราปฏิบตัติเราก็จะเลินนี่พ้นทุกข์ดับทุกข์นี่มีศาสนาไหนที่พระเจ้ามีศาสนามาตัดอย่างนี้สอนอย่างนี้ว่าคุณศาสนาดับทุกข์ศาสนาพ้นทุกข์มีที่ไหนอ่ะไม่มีมีแต่พระเจ้ามีพระศาสนานี่แหละแล้วเราเกิดมาประสบเหมาะเป็นศาสาตราิแล้วแต่ประสบนี่นเป็นของเลิศนะนประสบเลิศ เ, เราอยู่ได้ของเลิศมุ่งจะของเลิศ มานั่งหายใจทิง้งนอยหายทิ้งไปแล้วเราก็ยกังอยากดีอยากสุขอยากสมหวังอยากจเจริญอยู่ไม่เคยว่างเว้นไม่เคยจิตจางในจิตใจแล้วเหตุเป็นยังไงล่ะก็บอกแล้หยุดถ่ายผลเป็นยังไงต้องการด็บผลไม่เห็นเลยดีแต่เหตุมันะผิดผิดผิ ด, ผดนั่นะมันจึงผิดหลักสัจธรรมเสีธรรมเนี่ยเราจะไปเอาแบบบาลีถ้าบาลีเลยเข้าใจยาก หลักคุณธรรมศาสนามันมีดีกับชั่วนี่แหละศัจธรรมดีชั่ว เ, เป็นศัจธรรมแล้วเขาจะเดในชีวิตเราจะเดือดร้อนในองค์กรไหนในตั้งแต่ในบ้านจะเดือดร้อนมากมาจากเรื่องถูกผิดเรื่องดีชั่วแหละไม่ใช่สิบมันจากศิลปศาสตร์ที่เราเรียนจบปริญญาตรีไม่โทเพระเอกหรอกอันนั้นวิชาหาเ็ษบากเศษท้ทองมาเจี๋ยขึ้นหงุมหาได้แน่ถ้าพอมีคุณธรรมไม่อะรมัเกียงโลคขึ้นมาเอพอโลคขึ้นมาแล้วก็ทําผิด ทำผิดความกฎธรรมชาติกฎหมายบ้านเมืองกฎหมกฎธรรมชาติกฎสินธรรมนี่ในความถูกต้องดีงามไม่เนนะถ้าเรารู้ถูกรู้ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีก็ได้ตำรวจมีไปก็ได้อันนี้ไปปะไปจับไปกุมไปป่ามันเป็นปลาเหตุแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ทําความช่วความช่วยจะมาแต่ไหนล่ะใช่ไหมมันก็เรารักษาจิตเนี่ยจิตหน้านั่นนะถ้าเราไม่คิดเป็นข้อข้อนะก็คือรักษากายวิจญายใจเราสมบัติของเราเนี่ยพระเจ้าก็ประกาศไปแล้วไม่เห็นวนะ่า ใครมีศีลมีความสุขรันตีไว้รับรองไว้คนมีศีล จ, จะเจริญในพพ ก, กสัมบัติ์คนมีศีลจะไปสวรรค์นพระนิพพานเขาบอกไว้หมดทุกอย่างเอปิดประตูไบยภูมันแต่เราก็ว่าไปตามตัวหนังสือตามปากแต่เราไม่เข้าใจอัฏฐะเ น, นความไงมันาะก็เลยไม่มีอนุภาพบุญบุญกิริยานั้นจึงไม่เป็นบุญญาลิทธิ์แล้วบุญกิริยานั้นทําถูกมันก็ยังเป็นบุญญาลิทธิ์ก็มีอนิสงส์ขึ้นมา เราก็ไม่มีทุกข์โทษวิยนไฟมาเพลียาน้ามาทําให้เราเดื อ, อดร้อนวุ่นวายชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวเรากมีความสุขทั้งครอบครัวมีความสุขเฮ้แต่ว่านี่เขาไม่เข้าใจคําสอนมันมีแต่รูปแบบใครถ้ามาทำอย่างนี้เห็นไหยจะมากเท่าไรหไหมพากันตํารวมระวังกายมันจะแจ้จงตนแล้วไม่ผลิตออกมาทุกข์โทษมันจะมาแต่ไหนเล่ากายก็สงบแล้ววาจาก็สงบแล้วมีแต่วดวงใจนี่ดวงใจเงินที่เี้ ทีนี้จะเห็นจะใช้ก็ต้องภาวนาเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่แหละดูอยู่กับพุโทโธได้ไหมสักห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีถ้าไม่ได้นั่นมาจากตรง น, นั้นแหละที่เราทุกข์อยู่นั้นเนี่ะวุ่นวายอยู่นั่นเนี่อถ้าทําให้ได้สงบในอารมณ์เดียวนะพุโทโธพุโทโธสักสิบห้านาทีได้น่ะจิตมันรวมเป็นหนึ่งเลยตัว่างทสวัยเบาหมดที้ถ้าเรามาเห็นเองอันนี้นะเขายังบอกว่าจะภาวนาเนี่ยจะไม่เชื่อหรอก เออเพราะว่าได้เห็นเองแล้วเนี่ยสันติโกเห็นเองแล้วเห็นอนุภาพแล้วเห็นอนิสงของกิจสงบแล้วไม่ต้องพูดมากแล้วก็จะลักเรื่องภาวนาอืเอาใจใส่เรื่องเหล่านั้นเพราะความสุขทางอื่นที่เคยกินเคยเที่ยวเคยนอนเคยเสพอะไรมาเนี่ยสู้ไม่ได้ทั้งหมดแน่แล้วนั่นมาเห็นเองต้องเห็นอย่างนั้นเออชีวิตก็เปลี่ยนเน่ยทีนี้การตั้รวมระวังในติน เ, เ น, เนเนี่ยเพราไม่เบียดเบียนเนี่ยพะเราไม่ต้องการสุขทุก มันเกิดขึ้นในการไปยาใจผู้อื่นเขาไม่ต้องการเอาใจเรามาทำไมนันจะมาดูใจเราเห็นใจเราก็เห็นใจผู้อื่นเนี่ยพอเห็นใจเราแล้วผู้อื่นก็ปรารถนาแบบเราเหมือนกันเนี่ยนั่นมันเกิดไม่เบียดเบียนขึ้นมาพอไม่เบียดเบียนกนมนะ็มันก็เป็นศีลแต่ก็จำรวมนั่นแ่ะมันแยกเป็นข้อข้อนั่นแหละมันก็พิจใจก่อนรักษาใจก่อนนะั่นเนี่ยนั่นจะจะเป็นข้อก็มาจากใจนี่แหละรักษาใจแล้วทั้งหลายแหลแล้วการฆ่าก็ไม่มี การลักก็ไม่มีอการผิดจริยธรรมก็ไม่มีการจะมหลอกต้มตุ๋นกันก็ไม่มีการที่จะเอากายวใจนันี่ไปทําผิดกฎหมายก็ไม่มีเห็นไหมพวกยาบ้ายามายาอียาอะไรเอ็กอะไรไมว้แล้วแต่ก็ไม่มีหรอกเพราะว่าอย่าว่าแต่ของผิดโทษอย่างนั้นของดีกินได้แต่ว่าไม่สนับสนุนให้จิตเราสงบหรือทั้งร่างกายเราให้ตื่นหรือกินเข้าไปแล้วหง่วงเหงาๆนอนกินเข้าไปแล้วไม่สดชื่นไม่ตื่นองเงี้ย มันก็ต้งหลบหลีกนู่นธรรมชาติอะไรกัของหยาบๆไปนั่นมันก็ไม่ทำไม่เห็นเนี่ยเพราะนักกฎหมายบ้านเมืองมันมาที่หลังเลยล่ะให้เราภาคปฏิบัติให้มองกันอย่างนี้ถ้ามองกันอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจะปฏิบัติธรรมได้ง่ายเออไม่มีขั้นตอนมากหรอกมาอย่างนี้แหละเนชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วเราจะเห็นอนุภาพเ อ, อ้เข้าถึงตัวจริงของธรรมะ้วมีอนุภาพจริงๆ รักษาเราได้จริงๆมีคุณค่าจริงๆอันนี้มันเปรูปแบบพอไม่รูปแบบมันก็เลยไม่อนุภาพมันไม่นิสง่ะเออแล้วก็ศาสนาประเชื้อเฉื่อยก็เลยไม่สนใจไม่พานิยมถึงจะดีเลิศประเสริฐสีไนก็ไม่นิยมไม่เนะมันก็หายไปจากชาวพุทธเหล่านี่แหละแล้วก็ผลิตแต่ต้องการข้ามพระเจ้าจังสอนก็คือกิเลสคือไฟพอเข้าใจเราร้อนไปหมดเนะมีโศกกระบริเทวานาการต่างๆนานาที่เราเห็นอยู่นั้นมันมาเองที่ไหนละ่ะ ก็มาทำตรงกับข้าวพระเจ้าสอนนั่นแหละพระเจ้าให้ละให่งดใม่เว้นเราไม่ละไม่งดไม่เว้นก้าฮานุ่อาจที่เราเก่งๆก่ะเรผลิตขึ้นทําขึ้นมันก็มาทํำลายเ่้าของนั่ น, น, นแหละมันจังไม่พ้นทุกเนี่ยนะเอาทีนี้นนะนตั้งใจฟังเรื่อ ม, มันนี่นะโมตัสสะมังสวัตโตอระระหัโตสัมมาสามุติสะ namo tathagata arahato samma s a m u d a t a namo tathagata arahato samma s a m u d a t a sukho punya sa utayo imatra thammariyas sa attho s a i samantehi thamo so tapo te ขอบนอมๆในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ตัดสรุปเองโดยถูกท่วนพระองค์นั้นให้ขึ้นบาลีว่าสุขโขบุญญสระอุจยโยการสั่งสมทึงบุญให้เกิดความสุขใา้ความดีทั้งหลายเนี่ยเราต้องบำเพ็ญต้องสั่งสมก็ไปในหลักสามนี่แหละทานศีลภาวนาถ้าถ้าสอนกันรคาวาดก็มีทานทานนมัยหศีลมะใหมภาวนาใมถ้าสอนนักบวชก็ศีล สมาธิปัญญาเพราะทาไมยังว่าอย่างนั้นเพราะสมบัติอะไรเข้ามาแล้วถือเป็นเพศของนักบวชแล้วเทนี้มันก็เป็นปรามารัดศีลก็เป็นการให้เหมือนกันเนี่ยให้ชีวิตให้ความปลอดภัยเห็นไมไม่ลักไม่ขโมยของทรัพย์เนี่ยให้ความปลอดภัยกับเพศแล้วก็ไม่หลอกล่อมตุนกันให้เสียหายแล้วก็ไม่ขาดสติมีสติชัมพจญะ แนีทางทางคาวาะก็ยังเกี่ยวข้องกับทับย์สมบัติอยู่ก็ให้เสียตละดเพื่อว่าบำรุงจิตใจโยของนั้นเนี่เพื่ออย่าไปเครื่องอนุศน์ไม่ปเครื่องระลึกพราะยังติดยังข้องอยู่ก็สร้างอนั้นไว้เพื่อกำจัดความเพิดความเพลินความหลงที่จะยึดติดทัพส์สมบัติเหล่านั้นเนี่ยเพราะเราเกิดมาทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ได้ติดมาดอกเอมาตัวเปล่าเงินบาทนึงก็ไม่กลับมาภาพเนหนึ่งก็ไม่ได้นุ่งมา มามีได้มีบุญแล้วพอเม่นานไว้แล้วก็มาสืบมังคลงแล้วมาหาเพิ่มเติมเข้าไปใหม่นั่นไดวิชาการต่างนั่นแหละ ไ, ได้ใช้ได้สอยมารูบๆคำคําเนีหละพอหมดราก็ทิ้งคืนไว้แผ่นดินนั่นแหละแต่อริยทรัพย์เหล่าเนี้ยมันจะติดไปเป็นอนุสติถ้าเราเราทำทานนึกถึงทานนะฐานสติของเราเราดูขึ้นมาถ้าใครมีจิตใจผู้นั้นก็จะชื่นบานเบิกบานใจก็เห็นเองเออ สมมนัติหรือยินดีนั่นเนี่ยในจิตใจเรา น, นั่นนหะตรงนั้นเป็นบุญเป็นความสุขของจิตใจและร่างกายวัตถุก็เป็นวัตถุเป็นอัปยกิดเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่เอนอะแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นบุญถ้าเราลบรับล้างไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยถ้าน้ในจิตใจเรานั้นถ้าลบไม่ได้นั่นเนี่ยตรงนั้นเป็นบุญแต่ตรงกันข้ามอีกถ้าเราไปทําความไม่ดีใจเราร้อนเป็นทุกข์เศมองเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจนั่นเน่ะ นั่นแหะตรงนั้นแหละสมมติเรียกว่าบาปเราล้างไม่ได้นั่นแหะสองสิ่งนั่นแหละเห็นวารีมจึงมารองรับไงมนโนปุบบังกมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาบุญและบาปติณฑายมีใจนึ่ก่อนมีใจมันใหญ่สําเร็จด้วยดวงใจเห็นนหมใจนี้สําเร็จด้วยนี้อันนั้นแบบทําไว้กับเพื่อเราเนี่ยทั้งสมไว้กับเพื่อเราเนี่ยถ้ามันมีมากมันก็มีอานุภาพเปรียบเทียบมันก็เรามีทรัพย์มากเงเห็นไหม เราจะที่ดินเอาบ้านเอารถมันก็ได้ถ้าเรามีน้อยไงเนะี่ยได้บ้านก็ไม่ได้ที่ดินก็ไม่ได้บ้านก็ไม่ได้รถก็ไม่ได้ต้องไปวางดาวไปผนไปเป็นหนี้เป็นสินเขานะเห็เนไหมถ้าเรามีมากเอาได้เลยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขานี่แหละบุญกุศลในจิตใจนี่กับเมือนกันเนี่ยมันพิสดารกว่านั้นอีกเนีย่ยเป็นบุญบุญลิศอะหันึกพบมันจะเป็นไปตามใจนึกเลยนะ เป็นขึ้นมีขึ้นเลยนะเนี่ยที่ชาวโลกเข้าใจยากเพราะว่าเป็นเป็นนามนธรรมเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้ อ, เ, อเห็นด้วยตาปัญญาพอประจักษ์ขึ้นในจิตใจนะบ่แปรุรากฏขึ้นนี่ให้เห็นขึ้นมานะ่ะให้ได้รับขึ้นมานะ่ะมันประจางอึดใจตรงนั้นนะคนจะยอมรับกันนะ่ะในเชื่อในคําสอนพระเจ้าคําตัดพระเจ้านะนะั่นน่ะแต่คนไม่ประจักษ์ชัดเห็นเองเลยนะ่ะคนจะทำไม่ได้รอก ถ้เห็นอย่างนี้โอ้ยเอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่แหละต้องทําต้องสร้างแหละมันประจักษ์ชาติอยู่ตรงนั้นซึ้งใจอยู่ตรงนั้นอแจ่มแจ้งอยู่ตรงนั้นเพราต้องทำอย่างเข้ามาในศีลอีกพรรักษาศีลก็เห็นชาติอีกพอออกไปไม่สะทกสะทา้านหวั่นไหวไม่ได้กลัวใครจะมาฆ่ามาแกงเลยเพราะเราไม่เราไม่เคยเบียดเบียนใครเดี๋ยวไปไหนว่าสว่างสวัยไปมันมันไม่มืดมันไม่ขัดข้อง ให้มันมืดขัดข้องอะ่ะผวาขึ้นเละกลัวขึ้นเละขยาดขึ้นแหละมันวั น, ว, นวันใจขึ้นแหละอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดกลัวงูกลักวปีกลัวคนกลัวอะไรหมดเลยแต่ว่าถ้าคนมีสตินั้มันไม่นึกกลัวนะมันมีแต่นึกรู้ตัวอยู่เออเชื่อกรรำผลงกรรมถ้าทํากรรมเข้ามาแล้วเขาก็ทําเราได้ทำไม่ถ้าไม่ไมใครทําเราได้หรอกไม่มีใครมาบดิดเบียนได้หรอกเป็นอย่า ง, ง น, นั้นเลย มันเป็นลงหลักกรรมเลยมันยังเป็นอย่างนั้นงนั้นทีนี้ภาวนาอีกอย่างที่ภาวนานี่ถ้าเราทําให้จิตสงบเออเราเคยภาวนาก็าไม่ภาวนาก็าาาาแตกต่างกันเวลามานอนตื่นมาก็แตกต่างกันคนเขาทำให้ทำให้ชังเกตดูก็ได้แล้วทําไปแล้วไปนอนหลับตื่นขึ้นมาสดชื่นอารมณ์สบายผ่อนปลงทําให้ลลุกขึ้นมาแล้ว สลืมสลืออะไรไม่ปลอดโปร่งไม่สบายอย่างเี้ยไม่คงแค่ว่องไวนะให้มาตื่นมาสดชื่นคงแก่ว่องไวผองใสเนะี่ยนั่นเปนเห็นต่างกันเลยเนะี่ยถึงว่าเรายังไม่พ้นทุกข์กันนะแต่ว่าเราทำแล้วค่าของการตื่นมาแต่ละวันแต่ละวันเนะี่ยในจิตใจมันก็แตกต่างกันนะเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยทุกวันวนู้นสังสมไม่ได้ดวงใจเราเนะี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนะนะั่นนะก็สร้างกําลังเพื่อจะให้ ไปตัดสูนี่แหละในอัตภาพเดียังไม่ไม่ตายนะไม่ไม่ไม่จะสูญ ไ, ไ, ไปไหนแล้วมีแก่กล้าขึ้นมาถ้าไม่ไม่หมดกิเลสละลูลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปอีกนระกสรัตว์เราอฉานเปรอสุรกายนะไม่ไปพระภูมิที่ไม่ดีเหล่านั้นนะไปมาเป็นมนุษย์นะอีกไปเปน็นเทวดานุนะ่ะพรมนูนะ่นน่ะอยู่พักอยู่นั่นแหละ นี่แหละพระเจ้าสอนไว้มนุษย์สมบัติก็อยู่ในขั้นภูมิเหล่าเนี้ยสวรรคธรรมบัติก็อยู่ในนี้ในคําสอนพระเจ้านี่แหละนิพพานธรรมบัตรก็อยู่ในนี้แล้วแต่ใครจะ ย, ยินดีในพระภูมินั้นจะให้มันเป็นตาที่พี่สอนนี่อบรมทางสมไว้ทางสมไว้เนี่ย เ, เพื่อประโยชน์ตอนไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่เพื่อใครเลยเพราะอะไรจึงมาพูดอย่างนี้เาทีนี้ดักมาลีมันมีอยู่ในในจวดมนธรรมวัดที่แปรนะ เราจะเห็นด้ชาติว่าทำไมฝ่ายพระกรรมฐานเนี่ยไปวัดไหนวัดไหนก็ต้องสวดอภินาปจุวเอแล้วจะต้องสวดอาการสามสิบสองเพราะไอ้นี่แหละมันจะให้ตัวใจพุทธศาสนาอย่างถ่งแท้ภาคความประพฤติปฏิบัติแล้วก็ภาคจิตภาวนาถ้าจิตไปเห็นน่นนะมันจะคลายความกะดัยินดีพอใจมาหลงในรูปกายเหล่านี้หรือสมบัติภายนอกเหล่านี้นะจิตมันจะสงบ ตัวนั้นนั่นเป็นความประพฤติทางกายใจใจเกียรกรสีนั่นแหละในความเป็นอยู่นั่นแหละอาชีพการงานอะไรอย่นั้นเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ไม่งั้นมันถึงรี้มันก็มาอยู่ในภาพเมืองเปลไม่เห็ น, นทีนี้มันจะไม่สุดก็เพราะอันนี้เนี่ยพอไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเนี่ยกฎธรรมชาติอ่าทั้งนึงกว่าทำเล่กับเล่กันไปทำเล่ ก, กับเจ้าหัวมันอะไรอย่างเงี้ยชาวพิชชีวิพชา ว, ช ว, ชวบ้านอ่ะท่าไม่ได้ยิงคําสอนพระเจ้าไม่นํามาไต่จรให้เห็นเข้าใจชัดอ่ะเพราะนังคำสอนพระเจ้า ท่านยังท้าทายไงพี่ให้พิจารณาทุกวันเนี่ยคิดูเลยเอาดิต้อมีความหล้วทำไมต้พิจารณาทุกวันอืมถ้าไม่เห็นวันใดมันก็ต้องเห็นวันหนึ่งถ้าเราจี้อยู่งั้นจดจ่ออยู่งั้นต้อเข้าใจคใําสอนพระเจ้าถ้าเราไม่ทําเนะ่ะกรรมะะรมัสโกมีว่าไงอ่ะกรรมนั้นเป็นของของตอนนี่นะกรรมดายดาเราอยกได้ผลของการกระทํากรรมนั้นมีผลนะี่เป็นทายาท เพราะนั่นะถ้าเรารักตัวเราเราควรทากรรมอะไรยังต้องถามตัวเองถ้าเรารักตัวเราต้องทํากรรมดีเพราะมันเป็นของเราถ้าเราไม่รักตัวเราไม่เมตตาตัวเราแล้วทํากรรมชั่วเพราะมีเหตุไม่ถูกต้องผลก็ไม่ก็ไม่ถูกต้องตามมาไม่เห็นนี่นะมันเป็นจัตจะเรื่องคที่จะจะทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเริ่มไปตั้งแต่นี้ไปแหละถ้าเราถ้าเราทําไม่ถูกเนี่ยมันก็ทุกข์นในชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ เราสืบไปข้างหน้าเรื่อยๆก็นหนักเรื่อยหนักเรื่อยจนมัวหมองไปหมดจนสับสวนอรมาลไปหมดเอ่ยิงตรงตรงนั่งไปหมดเพราะทำกรรมซ้าซ้อนไปซ้าซ้อนไปไงมันเข้าในลักวัฏจักรอะมีกิเลสเฮมีกิเลสคือบวิชาความไม่รู้นั่นแหละมีกิเลสเดีแล้วก็ทํากรรมกรรมวัดนพอทํากรรมไปแล้วมีปากวัดรับผลของการกระทำพอรผลที่ไม่พึงพอใจอยากแก้ไข ไม่มีความรู้เข้าใจเพื่อศาสนาเห็นไหมก็มีอวิชานี่มม เ, นนเนี่ยทํากรรมมาอีกมันก็วนอย่างเง้ยเนี่ยวัตวณเนี่ยมันก็เข้ามาในเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกอยู่อย่างนั้นเนี่ยทําไมผู้อื่นเขาก็มีหูมีตามีใจทําไมเขาถึงสุขเขาจึงเจริญเรามีหูมีตามีใจทําไมจึงเสื่อมจึงเดือดร้อนเตือนสาหัสฮัดเพราะอะไรอะ่ะเนี่ยมันเป็นลักสษจะ เม่รหลักคําสอนไม่ได้เจ้าเนี่ปฏิเสธคาสอนไม่ได้เจ้านี่ไงเห็นไหมทั้งๆที่ในจิตใจเราไม่ไม่เคยปฎถนานะความไม่ดีไม่งามเลยนะปฎถนะในความสุขความเจริญความสมหวังแต่ทําไมมันไม่เจริญไม่สมหวังตามเขาอะมือตีนก็เท่ากันแท้ๆทําไมเขาถึงร่ำเลิศเจริญรุ่งเรืองเราเนี่ยไม่หุน้าตาเตือนอยู่อย่างนี้ทุกเสีนถาอยู่อย่างงี้บุญน้อยวาสนาน้อยอย่างงี้อภัพอยู่อย่างงี้ ทั้งๆนี่อวัยวะก็มีเหมือนเขาตาก็มีหูก็มีใจก็มีเหมือนเขามือเท้าก็มีเหมือนเขาอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนั่นละ่ะมันก็จะนั่นะบุญบาสนั่นแหละบุญบาปบุญน่ะมันบรรดาเนี่ยบุญบรรดาเนี่ยบุญอุปธรรมพกเนะความดีนั่นแหละที่เราทำไว้นั่นะมนตามรักษาี่บาลเราไม่อย่างนั้นนะ บาปตามเลยอภิบาตเลยมีเต็ดหน้ามืดตามมนนั่นแหละทุกแสนสาหัสเห็นไหมเราพิจารณาดูเห็นไหมมันจะขวนขึ้นมาตรงนี้อะไรอีกชีวิตวนอะรนัแหละพระเจ้ายังมาตัดอันนี้เพื่อจะมาทำลายอันนี้วัตจักเนี่ยที่ไปว่ามีองแปดนี่แหละคู่ปรับกับโลกกรรทำแปดถ้าเราทําถูกปั๊บมันก็จเจริญในราบยศสรรเสริญสุขนะในไขว่ความดีนั่นเองที่เราต้องการ ที่เราปรารถนานี่ยนะไม่มีไม่มีข้อวัดไหนที่จะมาทําลายโลกะโลกะธรรมแปดนี้ได้โลกะธรรมมันมีแปดเห็นไหมมรรคก็มีแปดเท่ากันเมันเครื่องปรับกันทําลายได้ได้อันนี้มีแปดนี่ก็มีแปดเท่ากันเลยนะไม่ยิ่งยนต์เหมืนกันอย่างวัะจักรมันจะหมดทิ้งไปในวัฏจักรสงสารไม่อย่างนั้นนะก็จะเป็นอยู่างนวนอย่างเงี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เป็นอย่างนี้แหละ นั่นไว่าคำสอนพุทเจ้าที่ตัดสรู้แล้วนี่ถึงสามารถให้เกิดสาวกขึ้นได้ในพุทธศาสนาก็เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมไงถูกต้องไงนั่นไมในใปัญจวัคียทั้งห้าเมื่อฟังแล้วให้บรรลุธรรมก่อนใครเพื่อนเลยอนยาคนทัญยะรู้แล้วหนออญญยะคนทัญญะรู้แล้วหนอไนดะ้บรรลุธรรมโสดาบันขึ้นในพุทธศาสนานะี่ยพอมาฟังอนัตตะมรยยสูตรอีกพูดถึงขันห้า พูดถึงการาพูดถึงความมิเที่ยงนี่ยอันนีจังทุกนาตาทีนี้ปัญญาในพุทธศาสนามีอยู่สามอย่างหนึ่งสุดตะปัญญาปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินนด้ฟังสุดสู้สร้างะระเตปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟัางแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาอีกเพราะว่าสุดตะปัญญปัญญ า, ญญานำมาคิดนำมานึก นำมาพิจารณาเหมือนที่อาจารย์พูดให้ฟังนี้แหละพูดได้คิดไม่ได้พูดให้เชื่อคิดเพิจารณาที่เห็นสายทางมันเชื่อมกันยังไงสัมพันธ์กันยังไงเราเห็นนะพอเข้าใจเออมันเป็นอย่างนี้นี่ที่เพื่อาจารย์มาพูดพูดก็ของมีอยู่เปิดเผยอยู่ไม่ใช่พูดแล้วเป็นของที่ไม่มีอยู่ไม่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนี่เป็นสัจธรรมไม่ได้ว่าพูดเอาเองตอรีว่าว เ, เองไม่ใช่ พูดในสิ่งที่พระเจ้าสั่งสอนไว้อยู่เปิดเผยไว้อยู่แต่เพราะเราไม่เข้าใจานี่ไงแ ล, ะละ้วล่ะทีนี้มันจะปล่อยวางได้นะต้องภาวนาปัญญาปัญญาปัญญาเนะี่ยต้องมาลงในหลักของไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่อยู่ในบังคับบัญชาอนัตตาไม่ยับสูญ น, นะรูปบางนาัตตานนะมันนั่งอยู่นี้ได้งไงถ้ามันศูนย์ มีอยู่แต่มันคับไม่ได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าแตกสลายนะมันคับไม่ได้แล้วแต่ว่าจิตออกเนะต้องไปฝังเวเผาละ่ะเพราจะนัลจิตมาอาศัอยู่เนี่ยมารีบทํมสามอย่างนี้เสียมีทานมีศีลมีภาวนาเนีหลักนี้เลยจะพาเราดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงเราไม่ถึงบริสุทธิ์แต่นี้มันก็ไม่สูญไปไหนก็สั้งสมความดีไว้นี่แหละอีกที่ว่าไว้ให้แก่ให้บารมีแก่กล้าขึ้น บาลมีแปลว่าเต็มบาลมีบาลมีเนียฐานะบาลมีศีลปาลามีนะนี่คมบาลามีเนีปัญญาปาลมีนะแล้วก็วิริยะบาลมีขันติบาลมีสัจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบาลมีแต่หน้าข้อหนึ่งก็มีสามข้ออย่างเบื้องต้นอย่างการโยกยุกฤตบาลมีเนี่ยต้องบำเป็นทั้งนั้นต้องผ่านอันนี้ทั้งนั้นสาวกสาวิกาพระเจ้าเนี่ย ต้องผ่านอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นจึงต้องมาสังสมบําเพ็ญอย่ที่เรามาทําอยู่เนี่เห็นฝึกกิริยาเรียบร้อยพูดง่ายว่าง่ายอะไรต่างๆสํารวมอะไรอยู่ในศีลเนี่ยมีการฟังธรรมมีการเจริญภาวนาเนี่ยฝึกตัวเองอยู่เรื่อยเพิ่มดีกีตัวเองอยู่เรื่อยให้มีคุณค่าให้มีสปิริตขึ้นไปให้มีปริญญาไม่ใช่ปล่อยปะละเลยลอยถ้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอยากดีอยากสุข แล้วก็หลอกตัวเองไปวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราจะดีจะสุขอย่างนั้นอย่างงี้ฮะไม่แต่วันมือวันเดือนคืนปีก็มีแต่มือก็แจ้งมือก็แจ้งมีมาแต่ดึกดําบันมาแล้วไม่ได้ทําให้ใครสุขใครทุกข์หรอกมัน็มือแจ้งมาอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะสุขก็เพราะทําดีกทําดีได้ดีนี่แหละทําชั่วได้ชั่วเนี่ยอย่าไปเชื่อปากสกรปรกคนมีเกลเอสว่าทําดีได้ชั่วนะ่ะทําชั่วได้ดีมีทั้งไปนะ่ะอย่าไปเชื่อ เพราะนั้นคนไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งคนมีกิเลสพูดอันนี้พระเจ้าหมดกิเลสพูดผู้าูรู้แจ้งโลกทั้งสามดิเพราะนั้นเราจะไปกล่าวจับจ้วงเราจะเป็นบาปเป่าอย่างนี้ต้องกายนะวาจายากหละยมันสอนไว้ถูกต้องเปัญญาเหมืนถ้าว่าไม่จริงแล้วตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วไม่เห็นนะถ้าการเวลานี้มาหาักล้างคําสอนพระเจ้าได้คำของพระเจ้ญญานี่ก็ไม่น่าไว้วางใจเนาะไม่น่าเชื่อถือไม่น่าอัศจรรย์ พันิการเวลาตั้งแต่อดีตมาก็เห็นมันก็หักล้างไม่ลง่ะมาจัมบันก็หักล้างไม่ลงอ น, นาคตก็หักล้างไม่ลงเนี่ยยังคงเส้นคงวาอยู่งั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อปากคนสกปรกคนมีกิเลสหนาบรญญาหยาบให้เชื่อพระเจ้าว่าจะปลอดภัยให้จิตถือมตินี่แหละเนติแบบนี้ ไ, ไว้เนี่พราษาว่าพระพิจารณ์ฟังธรรมในวันอาชาหะก็ได้เกิดขึ้นแล้วมันจะขี่ปัญนครบสามรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะ เป็นของเลิศในโลกก็มาจากศีลธ ร, รมที่ปัญญานี่แหละเพราะนั่นเราบำเพ็ญเรามาถูกทางแล้วแสดงว่าเราเกิดมาเรามีบุญมากแค่เกิดเป็นมนุษย์แไ่ว่าพบสัจธรรมครมําสอนพระพุทธเจ้าเลยเลิศแล้วก็มีความศรัทธามาพิสปิบัตินี่แนี่หาเวลาเวลาหาโอกาสนี่แหละมาฟังธรรมมาหาสถานที่สง บ, งบงเงียบมาทําจิตภาวนาเหล่าเนี้ซื่งชื่อว่าสังสมทั้งนั้นเนี่ยชื่อว่าสุขโข บำเพ็ญใหความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราทั้งนั้นเพื่อมาถูกทางอยู่ในมรรควิถีนะให้เราอุ่นใจให้บำเพ็ญไปอย่างนี้แหละแล้วเราจะถึงขวางที่หมายไม่ช้าไม่นานไม่ถึงเลยวิธีอื่นถึงได้วิธีนี้แหละแต่ว่าอย่าละความเพียรอย่าละหนทางคันนี้เรามาถุกทางแล้วเนี่คําสอนพระเจ้าเนี่ยนี่ถามว่าวก็เกิดขึ้นเพราะวิธีนี้แลท่านทำความเพียรมาบารมีแก่กล้านี่พอฟังทำแล้วแต่ใครจะเกลียดเบาบางเนี่ย เหมือนกับว่าคิด ป, ปิญญาพวกนั้นเนอะเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำอะถูกแสงก็บานอีกอันนึงกคปป็คิปปิปปัญญาทันทบิญยาก็บัวปิ่มน้ํำพอขึ้นมาหน่อยก็จะจะบานตามมาบัวกลางน้ํำเนื้อยะบัวใ ต, นน ต, ตนปปป้น้ำธรรมะคิดปิญญาทันตบินยาเนื้ยะปัะจปปัลมะ พวกนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อของเต่าปูปลาอะไรกินไปนั่นแ่ละให้มีอยูง่งี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไอยพวกเราเนี่ยถ้าเป็นเนื้อยะ ก, กันเนี่ก็ฝึกซ้อมอย่างงี้แหละถ้าพิสปฏิบัติอย่างงี้แหละไม่ละไม่ถอยเออสั่งสมนให้บา ร, รมีแกีกล้าไปเรื่อยเรื ย, เ ร, ย, เ, รยเรื่อยเรื่อเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนกันในหัาทัศน์ฝึกหมาไม่เหนหแต่ว่ามาบางบางตัวมันเห็นเงาแส้มันก็ทําตามแล้วไม่ได้เคี่ยนตีตีมนะันนกบางตัวเห็นเงาแส่ก็แล้วต้องแตะให้รู้สึกตัว ยงังทำตามเห็นเงาใส่ก็แล้วเอแตะก็แล้วต้อเขียนต้องตียังทําตามเนี่ยพวกนัยยะอัะนนั้นเห็นเงาก็เฉยแตะก็เฉยเขียนตีก็เฉยอันนั้นปัทปาละมะอันนั้นน่ะพวกนายทัตจารย์เขาไม่เอาไว้ทําพันเขาฆ่าถ้าทิ้งเสียเขาว่าเงินแล้วพระเจ้าฆ่าไหมธรรมดมไม่ฆ่าศาสตร์ฆ้าเหมือนกันฆ่าหลังอริยะ เอาค่าอย่างแบบไหนอ่ะทอดทุระไม่สอนไม่กล่าวนั่นแหะถ้าไม่สอนไม่กล่าวถือว่าเป็นลงพมทันนะทนหนักเนะี่ยนี่แหละถ้ายัางสอนอยังบอกอยังกล่าวอยู่เนี่ยยังยังรักยังเมตตาอยู่เพราะนี่เรานาเนินตามนี่วิถีทางนี่แหละนาะเอาทีนี้ยังไม่พูดมากให้ภาวนาเวลามันล่วงไปเลยล่วงเลยไปมากแล้ว อันนี้พูดพอเห็นสายทางคําสอนนิพพานที่เราดาเนินมาเนี่ยมันถูกต้องดีงามทุกอย่างเลยแหละแล้วทำให้เกิดให้เป็นขึ้นในจิตใจเรานี่แหละทานเราก็เก่งอยู่แล้วศีลเราก็รักษาได้แบบภาวนาเนี่ยยังยิ่งยังหย่อนอยู่เราทำมาไงจิตมันรวมเป็นหนึ่งให้ได้ให้มันสงบให้ได้ถ้าสงบได้มันจะเป็นสถีพยานลงรับเรามันจะไม่เสื่อมศรัทธาเราจะเป็นอาจารัศรัทธา พอเรามาเห็นเองเห็นอนุภาพของความสุขนัติสันติวรังสุขังสุขตื่นยิ่งกว่าจิตสงบนี้ไม่มีให้เห็นเป็นกบาลีมันมาลองรับตรงกันดนีถ้าว่ารองรับตรงกันเนี่ยเนยรับรองเ่ะไม่มีเสื่อมแล้วไม่ตะขี่ะยานแล้วนะเห็นเองแล้วนะโอ้จิตสงบมันอาจจรจันเบ็นี่เนาะมันเลืเลิศปานนี่เนาะเออให้มันมาเห็นเองนะพอได้เห็นธรรมพูดนั้นเห็นเราตาตาคดพ้ได้เห็นเราตาคดพอไดเห็นธรรมะ ถ้ามาเห็นเองตรงนี้นะแล้วมันจะเป็นสกีพยายามตัดทิ้นกันแหละมันจะเชื่อเดี๋ยวมันจะพักปฏิบัติได้ไม่งั้นมันก็ไม่ปฏิบัติหรอกเพราะว่าไม่เห็นคุณค่าเห็นความภายนอกเพลิดเพลินโมโมไปแต่ละวันแต่ละเวลานันไม่เป็นโลเป็นภยัยเป็นจาระอะไรไม่นะยมันก็ว่างเปล่าว่างเปล่าทำอะไรก็ว่างเปล่าดีไม่ดีถ้าไม่ถูกทําก็ผลิตทุกโทษเว็นไปใส่กายใสใจใอีกมัเลยไม่รู้สึกตัวอีกเลย แค่ไปอยู่ในกอบในสินในธรรมเนี่ เ, นเราคิดว่าไม่มีประโยชน์แท้จริงมันปกป้องรักษาเราแค่คาดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่รู้นะ่ยสินธรรมมันละเอียดนะอืมแต่คนมีปัญญาก็จะเห็นนะี่ยในคนโง่ันฉลาดมันก็ต่างกันอย่างนี้แหะคนโง่ตมเตียมตมเตียมไม่เห็นเลยพอมีปัญญาไปเห็นทะลุปุบโปงไปหมดเลยเออเราไม่เห็นไปตามยทีมันก็เลยยากนี่เนะี่ยมันปิดบังเนี่ยกำชั่วมันปิดบังไว้ แต่เราทําไม่ดีมันก็มัวไม่มัวหมองอะจิตมันเท่าหมองมัวหมองมันก็ไม่เห็นความจริงไงเพราะ้นเวลาผลิตกายาใจมันก็เลยมีแต่คำชั่วไงมันเลยมีแเรื่องทุกขมีแต่ความเท่าหมองมีแต่เรื่องโสกาผลิตเทวนาการมันจะไปเห็นอะไรมากมายกว่านั้นไกลกว่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังออกไม่ได้แล้วคุมพิจาของอยู่แล้วทํามันถ่วงสวายเหมือนมันก็เออมันก็เชื่อเลย เรื่องพันนี้นาะเอาทีนี้บริกรรมเดอ้อจะไม่พูดธรรมอธิบายผ่านนักสังรยามันจะได้เข้าถึงตัวจริงของธรรมะเป็นวัดพิสูจน์จิตเราสงบหรือไม่สงบไม่สงบเป็นโทษยังไงสงบนี่คุณยังไงเอาเราลึลกถึงเรื่องพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจธรรมโอวัตธรรมเจ้าอยู่ที่ใจสังโฆวัสังฆเจ้าอยู่ที่ใจเชื่อมั่นมาพระเจ้าปฏิธรรมประสงอยู่ที่ใจแล้ว่ะ รวมมาเรียกคาเดียวพุทโธพุโทโธพุโทพโธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานแปลว่าผู้มีโชคเห็นไหมละ่ะเป็นของเลิศนะพุโทโธนี่นะไม่ผิดเพราะว่าพอจองบเข้าไปแล้วมันจะพุโทโธที่เรากล่าวนี่จะมาเป็นพุโทโธแท้ขึ้นในจิตใจไม่ใช่เราระลึกไม่ต้องระลึกก็จะเป็นรู้อยู่ตลอดเวลา นแะจิตมันก็จะมีบ้านมีที่อยู่อะไรนี้เพราะอิ่มอารมณ์เพราะจิตมันอิ่มอารมณ์ตอนนี้มันยังไม่อิ่มอารมณ์เออมันยังไม่วางเราดูเลยถ้าเราอิ่มข้าวเนี่ยมันวางภาชนะหมดเลยถ้วยก็ไม่เอาจานก็ไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันเน่ะพอจิตมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ต้องบริกรรมหรอกเอรวมเป็นหนึ่งแล้วเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องบริกรรมวางหมนเ แล้วจึงเห็นเหล่านั้นว่าจริงแล้วนั้น่ะเป็นเครื่องมือหรือจะอาณาปานสติหัวจิตสงบลงไปแล้วลมหายใจก็หายก็เป็นเครื่องมืออย่างเงีไปปรากฏรู้อยู่ภายในนั่นนะวิธีการก็ไปเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละจะไปรถจะไปจั ก, กรยานจะไปเครื่องบินจะไปที่เดียวกันนั่นแหละ ย, ยก่อนสงบตรงนี้แหละจะพ้นทุกข์ ถ้ามันสงบพักจิตเย็นพอแล้วจิตอ่อนควรในการงานถอดในความสงบมาแล้วเราก็มาพิจารณาคนฟ้าขันห้าของเรานี่แหละเ อ, อหรือว่ากายกับรูปนี่แหละออกายกายกับน้ำ น, นี่แหละกายกับที่เราเห็นได้ตาเนื้อผมขนเล็บฟันหนังเนี่มันจะมันจะกรรมฐานนี่แลเล อ, อสวยงามตรงไหน อยู่นานแล้วมันก็ใบไม้เมนะแก่ก็ร่วงไปอันนี้ก็เป็นงอกไปไม่อยากให้เป็นงอกก็งอกไม่ผมร่วงก็ร่วงเป็นหัวล้านเมนะต้องไปยอ้อมไปงอกก็ต้องไปย้อมต้องไปปลุกผมอะไรนะั่นเะนะีนะ่อผมกับความรู้ใจเราเนะี่ยอันเดียวกันไหมเห็นไหมอันนั้นเป็นวัตถุใจมันเป็นธาตุรู้เนะี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยยใจไม่รู้เนะี่ยมันรู้รู้หลงเลยไปยืด เป็นของเราไปให้ความหมายว่าสวยไม่สวยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันมันรู้ไหมไม่รู้หรอกมันเป็นเส้นๆหน่ะเบืองหน้ากระปอกหน้าผากเบืองหลังกระปอกไตถอยเป็นเส้นๆกระปกมันชิดจ่าแล้วนะอืมไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายล่วงแส่อาหารก็เห็นไหมถ้าของเราก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่คนอื่นอู้เราคิดขึ้นละไม่กลาคืนก็กิน่ะรังเกียจขึ้นอาหารนั่นนะ เราอิสเอียนขึ้นแล้วรังเกียดขึ้นแล้วผ่องขนขึ้นแล้วนี่มันไม่สะอาดเห็นไหมเป็นสะอาดก็จิตเราไปปรุงแต่งขึ้นมานะผมก็ไม่ว่าอะไรรอกมาเฉยๆอยู่ในอาหารก็เฉยๆแช่อยู่อย่างนี้จิตก็ลังเกียดขึ้นคิดขึ้นยิ่งคิดยิ่งไม่กล้ากินกล้าคืนอืมนัละแต่ว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นน่ะลงไปไหนที่ไหนลงไปก็ทิ้งเป็นแข็ง เมื่อมีรักษณะอย่างนั้นโลกก็มีสมุรเรื่องธาตุดินนภาษาไทยก็ดินภาษานื้ก็บปฐวีภาษาพลังก็ซ้อยอะไรกันเนี่ยอืมธรรมชาติเห็นไหมไปตามชนชาติภาษาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในนั้นเน่ยเนี่ยมาหลงนี่ลยเนี่ยไปตามไตรลักษ ต้องเรียนรู้สัจากทำนี้ไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่รนดับไปนั่นน่ะก็ตายรักเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์เนี่ยข่าวเดียวจะเข้าในหลักอริยสัจสี่ที่ว่า น, นั่นเนอืมทุกข์ของอิสระจังเลยนะท่านอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นท่านอยู่ไม่ได้น่ะเป็นทุกข์เป็นของจริงอยู่ยงั้นน่ะเดี๋ยวว่า มองมองวัตถุแล้วก็มองมาที่ตัวไปพิจารณาตัวใจนะอันเดียวกันไหมไม่ใจนี่รู้อยู่ยนัน้นนั่นก็เป็นไปตามสภาวะนะนะเอสภาวธรรมสภาวาธาตุเขาเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนเป็นสภาวาธรรมเป็นสภาวาธาตุเขาอย่างนั้นทุกทุกสิ่งเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้มีตอนนี้นั่น น, ะนี่ยมันจะถอนความเห็นผิดที่มา หอยนั้นหนึ่งก็ไปใส่กระดูกก็ได้ไปใส่หนังก็ได้ไปใส่ฟันก็ได้ไปขบเคีย้ยวไปเล่มๆเมนะื่อพอหลุดออกมาไม่เห็นนะอันนี้ออกมาฐานนันนี่มาทีหลังนะเกิดมาไม่มีฟันเกิดมาแล้วถึง ม, มีฟันแล้วก็ไปก่อนนะอฟันร่วงไปแล้วถอนไปแล้วเป็นแมงไปแล้วทิ้งไปนะใส่ของปลอมมาใช้ขอบเคีย้ยวอันนี่แหละนี่น เป็นเล่มๆไงตรงไหนเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นชายล่ะไม่มีหรอกตรงไหนเป็นสัตวเป็นบุคคลล่ะมีแต่ทําหน้าที่ไงเนี่ยนีไม่งามถาไม่งามก็หลงเพลินเออฟันงามสวยเกิดเพลินไปติดใจยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเห็นว่าไม่งามเนจิตก็คลายความก็นัดยินดีนะเออตรงไหนอะไปขี้ฟันเต็มไปเมน็นไม่หมดไหมไม่แปลงไม่ชาไม่ลาง แต่ไม่ก่อไม่สะอาดต้องแปลงต้องขัต้องล้างนะพอแลดูนะตรงไหนเป็นหญิงตรงไหนเป็นชายแล้วดูเพ่งดูไม่มีหญิงมีชายนั้นบุคคลก็ไม่มีเนี่ยเป็นแข็งแข็งไงอันนี้เป็นถาดดินอืมนี่สัตว์บุคคลเราเขอลอกไปลักเขาก็เฉยไปชังเ้าก็เฉยเนี่ยห็นไหมไปชอบเขาก็เฉยไปไม่ชอบเขาก็เฉยเพราะนั่น ที่ชังชอบเนี่ยมันไปที่ไหนไปกับจิตที่มันหลงเนี่ยไปให้ฆ่าเลยหลงความหมายของตัวเองไปให้ให้ความหมายไปหลงความหมายวัตถุ ก, ก็ไม่รู้เรื่องด้วยแหมมันจะแก้ความเห็นผิดเนี่ยทําไมท่านอยากให้พิจารณาให้ค้นฟ้าเนี่ยพอค้นฟ้าแนละ้วมันเกิดปัญญาขึ้นเนี่ยเห็นอะไรความจริงอะไรหลาอย่างอย่างนั้นเนี่ยต่เราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นความจริงเลยเนี่ยมันก็ เปดก้อนเท่งทึบเงินมาหลงยินดีอย่างนัะกี่วันกี่เดือนกี่ปีกัของเก่ามาหลงอยู่างนั้นแล้วก็มาทำบาปทำกรรมใส่เจ้าของให้ทุกเดือดร้อนอยู่นั้นเมื่อฉลาดนะเถ้ามาเห็นคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันจะทําให้ละให้คลายวางแล้วก็ไม่ผลิตอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษใส่เจ้าของแล้วเพราะมันผูกพันกับสิ่งเหล่าเนี้ยประจิตอันเดียวเดียนผิดเพราะนะั้นอย่าไปจากอะไรความ ช่วทั้งหลายเลยจะทุกข์จะสุขจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเทวดาเป็นพรมเป็นพระละหันเป็นพระพุทธพระพุทเจ้าไปกับจิ ต, ตั้งนั่นแหละร่างกายนี่เป็นมนุษย์อยู่ไปไปจิตนี่แหละจิตนี่พาเป็นนี่นแหละอืมอันจิตนี่ออกจากร่างเลยม่เห น, นะไม่ทําอะไรได้อจิตตัวนี้มาสิงนี่อยู่แล้วมันจะเป็นอะไรก็เพราะเหตุนี่แหละ เรต้องมาอบรมจิตนี้ให้ฉลาดอจะมายึดมั่นถือมันกับพ่อหนี้เหละจะคลายก็จิตนี้แหละจ ะ, จะไปโทษเจตจิ ต, จตอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันมีวัตถุเนื้อสังขารที่จิตไม่เจียมแจ้งไงยังมาขี้คลายพักวัวจาแนกดูในสอนในวิปัจฉนาเนี่ยวพยายาดูแล้วมันไ ม, ม่ที่เอาเอาตรงไหนอ่ะเอาก็ไม่ได้เฮ้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่อันดับไปแต่เนี้ยตัวรู้ก็ไม่ไม่ได้อันเดียวอันนั้น แตไม่ได้ติดกันไม่ได้อันเดียวกันนั่นเวัตถุอันนี้เป็นตาลูนี่มันนั่นมันไม่รู้นี่ตัวรู้ตัวเนี้ยมันไปหลงวัตถุเนี่ยไม่ได้บอกปัญญาเรารู้ในกองทั้งขานตามความเป็นจริงอย่างจะรอบรู้มันก็ต้องไปพิจารณาถ้าไม่ปัญญ า, ามันไม่รู้เนี่ยขานนั่นเนี่ยมันติดหลงหมืดไปยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเลยตอนเนี้นพอไปเห็นแล้วมันจิตมันก็คลายความเห็นผิดไง มิจฉาทิฏฐิที่ว่าเห็นผิดอ่ะจากความเป็นจริงเนี่ยนี่เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในอริยสัจสี่เนีแต่นี่พยายามเป็นพูดเป็นภาษาไทยพูดเป็นภาษาเข้าใจอ่ะนี่ถ้าใครมาดําเนินตามนี้ก็เห็นมันก็เป็นลักษณะเดียวที่พระเจ้าสอนนั่นแหละแค่นั้นเป็นบาลีอันนี้เป็นภาษาไทยภาษาเข้าใจของพวกเราถ้าพี่น่ะตามที่บ้าอย่างนี้มาแล้วก็เห็นตามที่พี่สอนนั่นแหละ มันก็ไม่ที่เอาหลงพองม่เอามันก็คืนเนี่ยมันก็จะเข้าในนิร น, นโรธสัตว์เนี่ยทําให้แจ้งแล้วจะเกิดอาการสี่อย่างจาโคปตินิสโคมุตติอนรโยเห็นไหมนิโรธสัตว์อะ่ะนิโรธสัตว์เราทาให้แจ้งการให้แจ้งมันก็ต้องเดินเดินมรรคก็เดินปัญญาในที่พิจารณานั้นเนี่ยแต่เท่ยิงถ้าเขียนต้องเขียนทุก แล้วก็อันนี้แหละเราเขียนมักอ่ะพอไปทุกเนี่ยไหคยคนก็ต้องเดินมกักยังให้แจ้ ง, งนี่เราจึงวัดับดับทุกเพราะว่าอะไรพะไปรักสาเหตุสมุทัยทุกเกิดอ่ะนี่ความไม่รู้นั่นแหละพอเรารู้ขึ้นมามันก็ก็ไม่ที่เอาเนี่ยมันก็คืนเนี่ยจาโคไปว่าอะไรจาโคไปว่าคืนอจาโครปนิสโค จาโคแว่าชโคนิสโคมุตติอนารโยจาโคแวสระะปฏินิสโคแปลว่าคืนมุตติแปลว่าปล่อยอนารโยแปลว่าไม่ผัวพันเนี่ยต่างกันต่างจริงต่างกันต่างอยู่เนียอันนี้จิตไม่ไปเห็นนั่นเลยทีมันก็เลยไปยึดเอายึดเอาก็ยึดลมๆเล้งๆแล้วเนี่ยถึงนั้นไม่เป็นไปตามยึดหรอกมันจะเป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นคนยังไม่สมหวังนะ ของไม่อะไรไม่สมหวังมันก็เลยผิดหวังตลอดหวังแล้วไม่สมหวังวเพราะหวังในสิ่งที่คนหวังเนี่ยในชีวิตอ่ะคนมีแต่ความหวังถ้าไม่ถูกมันก็ไม่สมหวังเ ป, เป็นไปไม่ได้พระเจ้าก็บอกแล้วถ้าว่าไม่ถูกความนัหวังเนื้อเร็ดไม่ได้เป็นงั้นเพราะว่าเราไม่รจักสัจธรรมไงนี้มันต้องรู้ส ก, กฎสัจธรรม ไม่รู้ไม่ได้เนี่ยว่าถ้าใครมาเกิดมาพบกดเจตธรรมนี่เราเป็นผู้โชคดีกดเจตธรรมนี่คาสอนนี่ยังไม่เสื่อมไม่สูญไม่อัตตราทานไปถ้ากดเจตธรรมนี่เสื่อมได้สูญอัตราทานไปแล้วเนี่ยไม่มีใครจะดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะหนทางนี้มันไม่ไม่ไมคําสอนแล้วเดินลางไปแล้วคนไม่แน่ใจเนีย่ยสําคัญเนะ น, นี่ยคนี้ผมพิจิตเอาเนะี่เนี่ยมันก็ ตางันต่างจริงเนี่อันนั้นประตูก็เป็นไปปล่อยเป็นทุกข์สัตว์ไปไอ้ใจที่ไม่ดับมันก็ไม่ดับไอที่ดับมันก็ดับไปตามนะสิ่งที่ไม่ดับมันก็อยู่เสียเนี่ยธาตุรู้นั่นเนี่ยอันั้นมันเกิดดับมันก็ไปตามเป็นทุกข์สัตว์สิ่งที่ไม่ดับก็นเนื่องตัวธาตุรู้เนี่ยมันก็แยกออกมาเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเป็นชัดเนี่ยนามเขาลูปมันก็แยกชัดเห็นชัดอันั้นเขาไม่รู้อันนี้รู้ อันนั้นอันนี้รู้อยู่ตลอดอันนุ่นแปลปวนไปตลอดเนี่ยไม่นใจลักตลอดอันนี้มันไม่เปลยปวนไว้มันรู้อย่างนั้นนะไม่เกิดไม่ดับเนี่ยเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้ก่อนเกิดจากภาคปฏิบัติเนี่ยศาสนายังมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือฟังคํำนั้งสอนได้มาปฏิบัติเพราฏิบัแล้วมันือปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติ เนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยเราทำมาปฏิัติัก็ถูกตามหลักคัลองตามวิธีทางที่กล่าวมานี้เราจะหยุดนะจะอธิบายนะครับ